นานมานี้ผมไปเยี่ยมบ้านเกิดผ่านไปแถวริมแม่น้ําที่เคยมาวิ่งเล่นทําให้นึกถึงความหลังเมื่อครั้งยังเป็นเด็กพอนั่งรถผ่านตรงสะพานข้ามแม่น้ําผมก็นึกถึงไอ้ชุบซึ่งเป็นเพื่อนเล่นกันมาแล้วก็นึกถึงตาแชม่มสะพานข้ามแม่น้ำเพิ่งสร้างขึ้นราวสิบกว่าปีมานี้เองผมจําได้ว่าบริเวณเชิงสะพานฝั่งนี้เคยเป็นสวนของตาแชม่ม บ้านของแกเป็นเรือนหลังใหญ่อยู่กลางดงกล้วยติดกับแม่น้ําเลยจากวัดไปเวลานั้นชุมชนในตัวอําเภอจริงๆอยู่กันในบริเวณสองฝั่งถนนจากตลาดไปถึงวัดเลยจากนั้นก็จะเป็นทุ่งนาหรือสวนของชาวบ้านบ้านของตาแชมจึงอยู่ห่างจากชาวบ้านจากคนอื่นๆมากแถวนั้นตอนผมเป็นเด็กยังไม่มีไฟฟ้าพอค่ําลงก็จุดตะเกียงหรือเทียนไขกันทุกบ้าน เว้นแต่เวลามีงานเขาจึงจะใช้ตะเกียงเจ้าพายุหรือใช้เครื่องปั่นไฟเมียตะแชมตายไปหลายปีแล้วลูกๆ ก, ก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นกันหมดแต่แช่มก็เลยต้องอยู่ตัวคนเดียวสวนเล็กๆของแกมีผลไม้หลายชนิดรวมทั้งพืชผักต่างๆทุกๆสองสามวันแม่ค้าในตลาดจะเข้าไปรับซื้อถึงสวนรู้กันว่าตะแชมเนี่ยแกเป็นหมอดูด้วยเวลาใครมีเรื่องเดือดร้อน มักจะไปหาตาแช่มให้แกทานายทายทักวันๆแกก็มักอยู่แต่ในบ้านหรือไม่ก็อยู่ในสวนดายญ้าเก็บผักอะไรไปตามเรื่องไม่ค่อยได้ออกไปไหนตาแช่มยังรับตั้งแล้วก็ถอนสารพระภูมิแต่ว่าแกไม่ค่อยเรียกร้องเงินทองใครจะให้เท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าอะไรตามต่างจังหวัดแถวบ้านผมเข้าถือกันนักเรื่องสารพระภูมิต้องตั้งกันอย่างถูกต้องตามพิธีส่วนสารเก่าที่ทิ้งร้างไว้ เวลาจะมีการก่อสร้างสิ่งใดขึ้นใหม่จะต้องมีการทำพิธีถอนสารเก่าซะก่อนชาวบ้านพูดกันว่าตาแช่มเป็นหมอดูที่ดูแม่นยิ่งเรื่องข้าวของหายคนหายหรือเรื่องเจ็บไข้แกบอกได้ไม่เคยพลาดแต่ว่าเรื่องอนาคตไกลไกลทานายไม่ค่อยถูกผมเคยแอบได้ยินเขาพูดกันว่าตะแช่มแกเลี้ยงพรเนี่ยตาแช่มแกเล่นของผมได้ยินพวกผู้ใหญ่คุยกัน ผมก็เลยถามพ่อว่าเล่นของเป็นอย่างไรพ่ออธิบายว่าหมายถึงคนที่เล่นทางไสยศาสตร์ผมถามต่อว่าไสยศาสตร์คืออะไรพ่อคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าหมายถึงพวกคาถาอาคมทำนองนั้นซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจซักต่อผมมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่สนิทกันมากถึงสองสาคนคนหนึ่งชื่อไอ้ชุบพ่อของมันชื่อทัพผมเรียกว่าอาทัพ กับอีกคนหนึ่งชื่อโชต์ซึ่งนับไปแล้วก็เป็นญาติกันกับผมเพราะว่าแม่ของไอโชตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อผมแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนชื่อแก้วซึ่งเป็นเด็กวัดที่อยู่กับหลวงปู่เจ้าอาวาสชีวิตวัยเด็กในต่างจังหวัดนี่สนุกมากเพราะว่าไม่มีเรื่องที่ต้องให้กังวลในวันหนึ่งหงก็มีเรียนและวก็เล่นยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์ยิ่งสนุกกันใหญ่บางทีก็ไปเล่นในวัดแล้วก็ลงเล่นน้ําในแม่น้ํา ผ่านสวนใครก็ขโมยมะม่วงบ้างชมพู่บ้างมากินกันที่จริงถึงเจ้าของสวนมาเห็นเข้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่ารู้จักกันดีว่าพวกเราเนี่ยเป็นลูกเต้าเหล่าใครที่จริงถ้าขอเขาเขาก็ให้แต่พวกเราเด็กๆชอบพูดกันว่าขโมยเพราะดูตื่นเต้นดีแถบนั้นผลไมพ้พื้นนเช่นมะม่วงชมพู่ปลูกกันไว้แทบทุกบ้านแต่ว่าพวกเราชอบไปเก็บที่อื่นมากกว่าที่บ้านของตัวเองเพราะรู้สึกว่า กินอร่อยกว่ากันผมกับเพื่อนๆก็นึกอิจฉาไอ้แก้วนะว่ามันไม่ต้องมีพ่อแม่มาคอยบอกให้ทำโน่นทำนี่เหมือนพวกเรามีชีวิตอิสระเช้าขึ้นก็เดินถือปิ่นโตตามพระไปบิณฑบาตแล้วก็ไปโรงเรียนตอนเย็นเลิกโรงเรียนอยากจะเล่นอะไรก็ไปได้ยิ่งวันพระไอ้แก้วมีขนมนมเนยเหลือเฟือจนบางทีมันยังเอามาแบ่งให้พวกเรากินกันที่โรงเรียนเวลาพวกเราไปเล่นกันที่วัด ทางที่จะลงเล่นน้ำในแม่น้ำเนี่ยก็ต้องผ่านสวนตาแชมแต่พวกเราเด็กๆมักจะเดินอ้อมไปลงอีกทางหนึง่งไม่กล้าผ่านทางสวนของแกเห็นจะเป็นเพราะว่าเรือนของตาแชมเนี่ยเป็นเรือนเก่าอยู่กลางสวนดูน่ากลัวอีกอย่างหนึ่งแถวนั้นไม่มีบ้านของชาวบ้านอื่นๆเนี่ยตาแ่มเลี้ยงผีกูเห็นกับตาเลยวันหนึ่งไอ้ชุเพื่อนผมมันเล่าหน้าตาตื่นเด็กบรนนอกอย่างพวกผมพูดมึงพูดกูกันทั้งนั้น ไอ้มึงเห็นได้ไงวะเมื่อวานเนี่ยกูนั่งเรือไปกับแม่ผ่านบ้านตาแ่มไงเห็นเด็กวิ่งเล่นกันบนชานบ้านกูนี่กลัวจะตายไอ้ชุบบรรยายรู้กันอยู่ว่าตาแฉมแกอยู่คนเดียวแท้ๆจะมีเด็กที่ไหนมาวิ่งเล่นบนบ้านได้แม่มึงเห็นหรือเปล่าล่ะผมนึกในใจว่าอาจจะเป็นลูกหลานตาแฉมหรือว่าใครมาเยี่ยมแกก็ได้แม่มัวแต่พายเรือก็เลยไม่ทันดูพอเล่าให้ฟังแม่หาว่ากูโกหกเออ อาจจะเป็นหลานแกมั้งไม่อะกูว่าผีก็เพราะว่าเด็กๆเกนี่ยมันแต่งตัวไม่เหมือนใครมันมีจุกด้วยพวกมันยังกวักมือเรียกกูอยู่เลยผมยังไม่ค่อยเชื่อเพรา ะ, ะรู้กันว่าไอ้ชุบเนี่ยมันเป็นคนขี้กลัวเห็นอะไรผิดแปลกมันก็มักจะเหมว่าเป็นผีไปหมดมึงน่ะคราวก่อนเห็นขันน้ํายังแหกปากว่าเห็นผีไอ้โชตได้ทีเอาเรื่องเก่าตอนที่ไอ้ชุบไปนอนค้างที่บ้านมันมาเลาะตอนกลางคืนจะไปอาบน้ําไอ้ชุบโวยวายว่าถูกผีหลอก ก็มันมืดนี่ว่าแล้วขันน้ำบ้านมืองนะ่ยใบโตเหมือนหัวคนใครไม่รู้เอามาวางไว้บนฝาตุ่มไอ้ชุบยิ้มไอ้ไอพวกเราก็หัวเราะกันเด็กบรรนอกอย่างพวกเราเนี่ยสนิทสนมกันมากเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันพ่อแม่ก็รู้จักกันหมดเด็กๆที่ไอ้ชุบเห็นบนชานบ้านของตาแชมวันนั้นจะเป็นผีหรือเป็นคนพวกเราก็ไม่รู้แต่พวกเราก็ไม่มีใครกล้าไปเล่นใกล้ๆบ้านตาแชมอยู่ดี วันนึงเกิดเรื่องที่ทำให้ผมแน่ใจว่าพวกเด็กๆหัวจุกที่ไอ้ชุบเห็นบนบ้านตาแชม่มต้องไม่ใช่คนวันนั้นผมจำได้วันเลิกจากโรงเรียนไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนแม่ให้ผมมาช่วยโม่แป้งทำขนมเพราะว่ารุ่งขึ้นแม่กับพ่อจะไปทำบุญวันออกพรรษาที่วัดแม่ผมทำขนมอร่อยกว่าใครเวลาจะไปทำบุญแม่ต้องทาเองไม่ไปซื้อจากร้านเราเองน่ะ ต้องใช้แต่ของดีๆถวายพระแล้วก็เก็บไว้กินบนบ้านด้วยนะแม่บอกกว่าจะโม้แป้งเสร็จก็เย็นพอพลบค่ําผมกินข้าวแล้วก็ได้ยินเสียงอาทับ พ, พ่อไอ้ชุบมาร้องเรียกพ่ออยู่หน้าบ้านพ่อออกไปคุยกับอาทับครู่หนึ่งก็เดินกลับมาอาทับก็เดินกลับตามเข้ามาด้วยพัดวันนี้เอ็งแยกกับไอ้ชุบตอนไหนอะอาทับถามท่าทางกังวลตอนเลิกโรงเรียนครับทําไมเหรออาทับผมอยากรู้ ก็ป่านนี้มันยังไม่ถึงบ้านนะสิมันบอกหรือเปล่าว่าเลิกโรงเรียนแล้วมันจะไปไหนผมก็พยายามนึกไม่เห็นมันว่าไงนี่อาพอเลิกโรงเรียนมันก็วิ่งตือไปไหนก็ไม่รู้อืมไปถามบ้านไอ้โชต์ก็นึกว่าไปด้วยกันมันก็บอกว่ามันไม่เห็นอัทัพมีสีหน้าวิตกผมก็พลอยนึกเป็นห่วงเพื่อนอทัทภพบอกว่าตามไอ้ชุบที่วัดก็ไม่พบพ่อผมบอกว่ามันอาจจะไปถลายที่ไหนเดี๋ยวคงกลับไปเอง สักพักหนึ่งอาทับก็กลับไปคืนนั้นราวสี่ทุ่มกว่าผมนอนเกือบจะหลับแล้วได้ยินเสียงอาทับมาเรียกพ่ออีกพ่อลุกออกไปคุยกับอาทับตรงชาญบ้านถ้าจะไม่ได้การแล้วพี่ฉันนี่ไปตามมันทุกที่แล้วไอ้ชุบมันไม่เคยเหลวไหลนะผมแอบได้ยินอาทับ พ, พ, พูดกับพ่ออย่างถนัดแล้วไปถามตาแช่มมาหรือยังล่ะเสียงพ่อพูดถ้าไม่มีทางอื่นก็คงจะต้องไปพึ่งแกแหละ พี่ไปด้วยกันหน่อยเหอะฉันไม่ค่อยคุ้นเสียงอทับขอร้องเสียงพ่อกลับเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าผมเห็นพ่อค้นอะไรกุกกักในลิ้นชักแล้วก็คว้าไฟฉายติดมือไปผมบอกพ่อว่าขอตามไปด้วยที่จริงผมไม่อยากไปบ้านแต่แชม่มยิ่งเป็นตอนกลางคืนแบบนี้แต่ด้วยความอยากรู้เรื่องของไอ้ชุบอีกอย่างหนึง่งไปกับพ่อไปกับอาทับก็เลยไม่รู้สึกกลัวพอพ่ออนุญาตผมก็รีบลุกจากที่นอนเปลี่ยนเสื้อกางเกงแล้วก็เดินตามพ่อลงจากบ้าน พ่อกับอาทับขี่จักรยานไปคนละคันผมซ้อนท้ายพ่อคืนนั้นเป็นคืนเดือนไห่พอมองเห็นทางได้สบายลมทุ่งพัดเย็นสบายผมนั่งซ้อนจักรยานไปก็คิดถึงไอ้ชุบว่าป่านเนี้ยมันไปทำอะไรที่ไหนของมันว่ายังไม่กลับบ้านทำให้อาทับต้องออกตามนึกสงสารมันว่าวันนี้ถ้ากลับบ้านไปคงถูกอาทับตีแน่เลย พ่อขี่จักรยานผ่านตลาดเลยออกไปทางถนนเลียบแม่น้ำบ้านแถวนั้นดับไฟนอนกันหมดแล้วพอเลยวัดถึงทางแยกเข้าบ้านตาแชม่มซึ่งเป็นทางเดินเท้าตัดผ่านสวนมืดครึ้มจนมองไม่เห็นอะไรพ่อบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยส่องไฟฉายจนถึงเรือนหลังใหญ่กลางสวนเห็นเงียบสนิทผมก็ชักโลกลัวเพราะว่ารอบๆ บ, บ้านตาแชม่มมีแต่สวนทึบมองไม่เห็นอะไรพ่อกับอาทับจอดรถจักรยานทิ้งไว้ริมรัว้ว เดินเข้าไปถึงบันไดบ้านผมเดินตามติดพ่อร้องตะโกนเรียกตาแชม่มสักพักก็มีเสียงกุกกักบนบ้านใครวะดึกดื่นป่านนี้แล้วเสียงตะโกนลงมาจากบ้านฉันเองไอ้พุทพ่อตะโกนขึ้นไปพาเจ้าทัพเข้ามาธุระเรื่องลูกอ่ะลุงคนข้างบนบ้านจุดตะเกียงสักครู่หนึ่งผมได้ยินเสียงเปิดกรอนประตูพอประตูเปิดผมเห็นตาแช่มยืนอยู่ตรงประตูหัวบันไดถือตะเกียงรั้วอยู่ในมือ อ้าวขึ้นเรือนก่อนอ๋อมีเด็กมาด้วยเหรอตาเช่มทักพร้อมกับมองมาทางผมอ๋อลูกชายฉันเพื่อน ก, นกันกับเจ้าทัพนะครับพ่อพูดพร้อมกับยกมือไหว้เออเออเออขึ้นมาเรือนก่อนกี่โมงกี่ยามกันแล้วเร า, าเนี่ยเสียงตาเช่มว่าพ่อกับอาทัพขึ้นบันไดผมเกาะหลังพ่อแจบ้านตาแช่มกว้างขวางกว่าที่ผมมองเห็นจากข้างนอกพอเข้าประตูก็เห็นชานกว้างที่ผมเคยมองเห็นจากแม่น้ํา ถัดเข้าไปด้านในเป็นส่วนที่ยกพื้นขึ้นแบบเรือนไทยสมัยเก่ามีโต๊ะหมู่บูชาอย่างที่ผมเห็นที่วัดตั้งอยู่มุมหนึง่งมีของวางอยู่บนนั้นเต็มไปหมดผมมองเห็นไม่ถนัดว่ามีอะไรบ้างห่างออกไปสักห้าหกวาผมเห็นประตูที่ยังเปิดแง้มอยู่ผมเดา ว, ว่าคงจะเป็นห้องแต่แชม่มที่แกนอนแล้วก็ปิดไม่สนิทคงเป็นตอนที่แกออกมาจากห้องนอนผมสังเกตเห็นมีแสงไฟเล็ดลอดออกมา ตาแช่มเดินนําไปนั่งลงบนเสือผืนใหญ่ข้างๆโต๊ะบูชาวางตะเกียงลงในมือข้างๆตัวอ้าวนั่งก่อนมีอะไรกันหรือตาแช่มพูดพ่อกับอาทับนั่งลงบนเสือ่อผมนั่งติดกับพ่อถัดไปทางประตูห้องนอนที่เปิดแง้มไว้ผมมองลอดเข้าไปเห็นม้งเก่าๆกลางอยู่ก็ไอ้ไอ้ชุบลูกชั้นอนะ่ะมันไปโรงเรียนป่านนี้มันยังไม่กลับมาเลยก็อยากให้ลุงเนี่ยช่วยดูให้ชันทีเถอะจ้า เออแล้วลูกแกอายุเท่าไหรล่ละ13เข้าปีนี้แหละปีเดียวกับเจ้าพัดลูกพี่พุทธเขาเนี่ยอาทับตอบบุ้ยมาทางผมวันเดือนปีล่ะตาแช่มถามอีกวันเสาร์เดือนเก้าปีกุลอาทับตอบแบบรวดเร็วผมเห็นตาแช่มนั่งนับนิ้วมืออยู่ครูใหญ่แล้วก็นิ่งไปมองหน้าอาทับข้าวว่ามันไม่กลับว่ะตาแช่มว่าผมเห็นอทับหน้าเสีย พ่อทำท่าจะพูดแล้วกลับนิ่งไปแต่แช่มบอกให้อาทับหยิบถาดตรงหน้าที่บูชาอาทับลูกเดินไปหยิบมาส่งให้ตามคำสั่งผมสังเกตว่าถาดนั้นมีดอกไม้แห้งๆเทียนสีพึ่งสองเล่มกับกรวยเล็กๆทำด้วยเบตองหลายอันซึ่งแต่ละอันมีดอกไม้แล้วก็ทูบเสียบอยู่เดี๋ยวค่าขอดูให้แน่ๆก่อนนะพวกเองอยู่เฉยๆอย่าพูดอย่าทักอะไรอ้ะ พ่อเด็กไปจุดทูบเข้าดอกนึงแล้วก็ปักไว้นอกชานนู่นตาแช่มสั่งอาทับผมเห็นตาแช่มยกถาดใบนั้นขึ้นแล้วก็หลับตาทำปากบ่นอะไรเงืมงอาทับจุดทูบขึ้นดอกหนึ่งเดินเอาไปเสียบไว้เที่ยวร่องกระดานนอกชานบ้านผมได้กลิ่นทูปฟุ้งอาทับเดินกลับมานั่งข้างๆพอ่อสักพักหนึ่งตาแชม่มแกก็วางถาดนั้นลงแล้วก็พูดทั้งๆ ท, ท, ที่หลับตาเออเออแล้วไง แกว่าเหมือนพูดกับอะไรที่มองไม่เห็นตอนเช้าพรุ่งนี้พ่อกับอาทับมองหน้ากันผมมองผ่านไปทางห้องนอนของตาแช่มอย่างไม่ตั้งใจจากแสงเทียนที่สว่างวอมแวมในห้องผมเห็นเด็กไว้ผมจุกสามคนนั่งล้อมวงกันเด็กทั้งสาคนใส่เสื้อคอกลมขาวนุ่งผ้าแบบตุ๊กตาตามสารพระภูมิที่ผมเคยเห็นเจ้าคนหนึ่งนั้นหันหน้าออกมาทางผมทำท่ากวากมือเรียกผมสะดุ้งวาบ นึกถึงคำพูดที่เจ้าชูบเคยเล่าหันไปดูพ่อกับอาทับทั้งสองคนยังคงนั่งเฉยคงไม่เห็นอย่างที่ผมเห็นผมกำลังจะรองเรียกให้พ่อดูพอดีเสียงตาแช่มพูด ท, ทั้งทั้งที่ยังหลับตาลูกเองนะ่ะมันไม่กลับแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาจะมาส่งขาวเองวันนี้กลับไปนอนได้ไม่ต้องตามแล้วแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะลุงอาทับถามอย่างทนไม่ไหวตาแช่มตอบทั้งๆ ท, ท, ที่ยังหลับตาหมดเวลาแค่นั้น มันหนีเข้ามาชั่วคราวเจ้าของเข้ามาตามเอ็งก็ทำใจไว้ได้เลยผมเห็นอาทับ ท, ทาหน้าตากังวลตาผมมองลอดไปทางประตูห้องนอนตาแช่มอีกคราวนี้เห็นเด็กสามคนนั่นมายืนเบียดกันเกาะประตูอยู่คนนุ่งผ้าสีเหลืองยักคิ้วกวักมือเรียกผมซะด้วยผมขนลุกสู้แปลกใจว่าทำไมพ่อกับอาทับมองไม่เห็นสักเดียวพวกนั้นมันโผล่ออกมาจากประตูห้องตาแชม่ม ผมหันมาทางพ่ออ้าปากจะร้องหันกลับไปอีกทีไอ้สามคนนั้นหายกลับไปในห้องเสียงนกแสกร้องแววมาจากทางดงกล้วยผมยิ่งกลวนหนักเข้าไปอีกเบียดตัวเข้าไปใกล้พ่อมีคนเคยบอกว่านกแสกมันร้องเวลาเห็นผีผมชักแน่ใจว่าไม่ใช่เด็กธรรมดานึกถึงไอ้ชุบบอกกับที่เคยได้ยินใครๆลือกันว่าตัดแช่มแกเลี้ยงผีเด็กคงง่วงอ่ะดึกและไปหลับไปนอนซะ ยังไงก็แก้ไขอะไรไม่ได้ละตาแช่มว่าแล้วก็หันมาทางผมไอน้นูเพื่อนเองนะมันสบายแล้วละผมได้ยินอาทับสะอื้นเบาๆคืนนั้นกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ดึกมากแล้วขากลับพ่อกับอาทับเงียบกันมาตลอดทางผมคิดว่าทั้งสองคนคงไม่เห็นอะไรบนบ้านตาแชม่มเหมือนที่ผมเห็นผมเข้านอนแต่ตาไม่หลับใจนึกถึงแต่ไอ้ชุบหลับตาก็เห็นแต่ภาพเด็กหัวจุก3ามคนในบ้านตาแชม่ม กว่าจะหลับได้ก็เกือบสว่างมารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็มีเสียงแม่ปลุกว่าสายแล้วฮหรี่ไปอาบน้ําแต่งตัวไปโรงเรียนพอไปถึงโรงเรียนผมแปลกใจที่เห็นพวกเพื่อนๆนักเรียนยื่นคุยกันเป็นกลุ่มครูบอกว่าเมื่อเช้าตรู่พวกไปหาปลาไปพบศพไอ้ชุบลอยมาติดอยู่ตรงใต้เขื่อนหน้าโรงเรียนทั้งชุดนักเรียนตัวมันไม่มีบาดแผละอะไรเลยเดากันว่ามันคงไปเล่นน้ําแล้วก็เป็นตะคริว หรือไม่ก็ถูกกระแสะน้ําพัดออกไปจมกลางแม่น้ําแต่ผมไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าในบรรดาพว ก, กเราไอ้ชุบว่ายน้ําเก่งที่สุดและถูกที่ที่ไปเล่นน้ํากันมันมักจะถอดเสื้อถอดกางเกงก่อนผมกับไ อ, อ้โชดไอ้แก้วร้องไห้อยู่หลายวันคิดถึงไอ้ชุบที่เคยเล่นเคยกินเคยนอนด้วยกันบ่อยๆเรื่องที่ผมเห็นเด็กหัวจุก3ามคนที่บ้านตะแฉมผมไม่ได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังเล่าแต่กับไอ้แก้วและไ อ, อ้โชด กูว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันคงมาเอาไอ้ชุบไปเล่นด้วยละสิไอ้โชดว่าศพไอ้ชุบตั้งสวดอยู่3าวันแล้วก็เอาไปฝังที่วัดวันฝังศพไอ้ชุบผมไปกับพ่อกับแม่พ่อบอกว่าคนที่จมน้ําตายเขาไม่เผาต้องเอาไปฝังพอเขายกลงลงหลุมอน้อยซึ่งเป็นแม่ของไอ้ชุบถึงกับเป็นลมล้มพับหลายเดือนผ่านไปพวกเราชักลืมเรื่องไอ้ชุบกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันก็เหลือแต่ไอ้โชดกับไอ้แก้ว วันหนึ่งตอนเลิกเรียนไอ้โชตแอ บ, บมากระซิบกับผมสองคนเมื่อวานเนี่ยไอ้แก้วมาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยใช้ให้มันไปขอใบตองมวนยาสูบที่สวนตะแชมมันว่ามันกลัวแต่ก็ต้องไปฮะผมตกใจเพราะตั้งแต่อชุบตายก็เป็นที่รู้กันระหว่างเราสามคนว่าบ้านกับสวนตะแชม่มีผียังไงยังไงพวกเราไม่ไปเหยียบที่นั่นอย่างแน่นอนแล้วไอ้ไอแก้วมันไม่กลัวเหรอผมถาม มันว่ามันกลัวหลวงปู่มากกว่านะสิมันไปถึงสวนกล้วยมันไม่เห็นใครมองไปทางบ้านต่แช่มมันเห็นไอ้ชุบวิ่งเล่นบนบ้านต่แช่มมีเด็กหัวจุกเล่นอยู่กับมันสามคนไอ้ชุบน่ยมันกวากมือเรียกไอ้แก้วขึ้นไปเล่นด้วยไอ้แก้วนี่วิ่งสป่าราบเลยแหละผมคนลุกเกลียวบอกไอ้ชุดว่าอย่าไปเล่าให้ใครฟังผมเดินหาไอ้แก้วแต่ไม่เจอเพราะว่ามันกลับวัดไปแล้วสองวันต่อมาผมไม่มีโอกาสเจอมันเพราะว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ พอวันจันไอ้แก้วก็ล้มเจ็บขาดโรงเรียนไปหลายวันผมเห็นเพื่อนขาดเรียนก็ชวนไอ้ชุดไปเยี่ยมที่ห้องมันที่วัดเห็นมันนอนสมละเมอถึงแต่ไอ้ชุบกับเด็กหัวจุกไม่นานก็รู้ข่าวว่าไอ้แก้วตายหมอที่สถานีอนามัยบอกว่ามันเป็นไข้เลือดออกกว่าจะไปถึงหมออาการก็หนักเกินแก้ผมกับไอ้ชุดแน่ใจว่าไอ้ชุบกับเด็กหัวจุกามคนนั่นมาชวนไอ้แก้วไปเป็นเพื่อนเล่นด้วย ผมกับไอโชตร้องไห้สงสารไอแก้วพอมันตายเพิ่งรู้ว่าไอแก้วไม่มีพ่อไม่มีแม่หลวงปู่ที่วัดเก็บมันมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กเล็กช่างน่าสงสารแท้ไอแก้วเด็กกำพร้าแต่เราไม่รู้ความเคยอิจฉาว่ามันมีอิสระกว่าเราไม่มีใครมาคอยควบคุมผมกับไอโชดไม่เคยไปเล่นแถวแถวสวนตะแชมอีกเลยเวลาจาเป็นต้องนั่งเรือผ่านผมไม่กล้ามองไปทางเรือนแก่ กลัวเด็กหัวจุกพวกนั้นมาเรียกหรือว่ามาชวนไปเล่นเหมือนไอ้ชุบกับไอ้แก้วผมเรียนจบชั้นประถมก็เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพจนเมื่อไม่กี่ปีมานี้มีข่าวว่าตาแช่มตายพอดีกับมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําทางราชการจึงเวีนคืนที่ดินสวนตาแช่มกับเรือนหลังนั้นแม้ว่าเดี๋ยวนี้อําเภอบ้านผมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างจำแทบไม่ได้เพื่อนสมัยเด็กๆก็แยกย้ายไปอยู่ที่ต่างๆมีครอบครัวกันไปหมดแล้ว แต่สำหรับตัวผมเองนั้นไม่เคยลืมเด็กหัวจุกที่เห็นที่บ้านตาแชมไม่เคยลืมไอ้ชูบกับไอ้แก้วผมได้ข่าวว่าไอ้โชตไปเป็นทหารอยู่ที่ลบบุรีหากพบกันจะลองถามว่ามันยังจำเรื่องตาแชมหมอดูได้หรือเปล่า